องแห่งการประนามภิกษุทั้งหลายอุปชาพึงประนามสัตธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอุปชา 2. ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอุปชา 3. ไม่มีความละอายอย่างยิ่งในอุปชา 4. ไม่มีความครบรออย่างยิ่งในอุปชา 5. ไม่มีความหวังดีอย่างยิ่งในอุปชาพิกษุทั้งหลายอุปชาพึงประนามสัตถิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้ ภิกษุทั้งหลายอุปชาไม่พึงประนามสัทธิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. มีความรักยิ่งในอุปชา 2. มีความเลื่อมใสยิ่งในอุปชา 3. มีความล่ายอย่างยิ่งในอุปชา 4. มีความครบรออย่างยิ่งในอุปชา 5. มีความหวังดีอย่างยิ่งในอุปชาภิกษุทั้งหลายอุปชาไม่พึงประนามสัทธิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้ภิก <Gray> ษ <voi S 1> <s> ุทั้งหลาย สัตทิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรที่จะถูกประนามคือ 1. ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอุปชา 2. ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอุปชาสา 3. ไม่มีความละอายอย่างยิ่งในอุปชา 4. ไม่มีความเคารพอย่างยิ่งในอุปชา 5. ไม่มีความหวังดีอย่างยิ่งในอุปชาภิกสุทั้งหลายสัตทิภิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ควรที่จะถูกประนาม ภิกษุท pues, ั้งหลายสัตทิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์หไม่ควรที enfin ่จะถูกประนามคือ 1. มีความรักอย่างยิ่งในอุปชา 2. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอุปชา 3. มีความล่ายอย่างยิ่งในอุปชา 4. มีความครบร้อย่างยิ่งในอุปชา 5. มีความหวังดีอย่างยิ่งในอุปชาภิกษุทั้งหลายสัตทิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ไม่ควรที่จะถูกประนามภิกษุทั้งหลาย สัตทิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์หเมื่ออุปชาไม่ประนามย่อมมีโทษเมื่อประนามย่อมไม่มีโทษคือ 1. ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอุปชา 2. ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอุปชาสไม่มีความไล่อย่างยิ่งในอุปชา 4. ไม่มีความครบรออย่างยิ่งในอุปชา 5. ไม่มีความวังดีอย่างยิ่งในอุปชาภิกษุทั้งหลายสัตทิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ เมื่ออุปชาไม่ประนามย่อมมีโทษเมื่อประนามย่อมไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายสัตว์วิหาริกผู้ประกอบด้วยองค mm ์ห hmm. เมือ่ออุปชาประนามย่อมมีโทษเมื่อไม่ประนามย่อมไม่มีโทษคือ 1. มีความรักอย่างยิ่งในอุปชา 2. ม, มีความเลื่อมใ ส, ใสมมม อ, ยอย่างยิ่งในอุปชา 3. ม, มีความล่าอย่างยิ่งในอุปชา 4. ม, ม, มีความเคารพอย่างยิ่งในอุปชา 5. มีความวางดีอย่างยิ่งในอุปชา ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่วิหาริกผู้ประกอบด้วยองห้าเหล่านี้เมื่อประชาประนามย่อมมีโทษเมื่อไม่ประนามย่อมไม่มีโทษ